วิปัสนาโนบาลบทที่หนึ่งวิปัสนาคืออะไรถ้าจะเอาเป็นคําแปลวิปัสนาแปลได้หลายแบบแต่ถ้าถามว่าวิปัสนาคืออะไรเอาคําตอบชนิดสื่อใจถึงใจก็ต้องว่าวิปัสนาคือเห็นตามจริงลองนึกดูคําว่าเห็นตามจริง ทำให้คุณมีปฏิกิริยาทางความรู้สึกเป็นอย่างไรคุณนึกถึงอะไรจากการได้ยินคำว่าเห็นตามจริงบ้างหนังสือเล่มนี้เขียนเป็นภาษาไทยคุณอ่านภาษาไทยออกคุณฟังภาษาไทยเข้าใจนี่คือข้อเท็จจริงที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้น ถ้าบอกว่าคุณกำลังคิดเป็นภาษาไทยก็ย่อมถูกต้องตามจริงใครเข้าใจว่าตัวเองกำลังคิดเป็นภาษาไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณเข้าใจถูกแล้วคุณกำลังเห็นตามจริงแล้วแต่ถ้าถามว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าตรงนี้อาจเริ่มยากกว่าคำถามข้อก่อน เพราะมันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าคุณถือตัวเองว่าเป็นคนชาติไหนถ้ามีใครบังคับให้คุณยอมรับว่าเป็นไทยในขณะที่ใจอยากคิดว่าเป็นคนจีนหรือมีเชื้อสายจีนเข้มข้นกว่าอย่างนี้แปลว่าต้องนั่งเถียงกันแล้วและไม่ว่าใครจะงัดเอาเหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนความคิดตัวเองมายันกันยกใหญ่ปานใดก็สรุปที่จุดเดียวคือเชื่ออย่างไร ก็มีความจริงอยู่อย่างนั้นคําถามคือในเมื่อความจริงผูกอยู่กับความเชื่ออย่างนี้การเห็นตามจริงที่แท้ก็ไม่มีนะสินี่มีแปลว่าเรากำลังอยู่กับความจริงที่สร้างขึ้นเองมาตลอดหรอกหรือต่างคนต่างอยู่ในโลกความจริงเฉพาะเขตของตัวเองโดยไม่อาจล้ำเส้นกันอยู่อย่างนั้น การเถียงกันว่าอะไรจริงอะไรเท็จจะไม่ได้ข้อยุติหากปราศจากจุดมุ่งหมายเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงการเพียรพยายามประพฤติตนเพื่อเห็นความจริงก็ต้องถามต่อด้วยว่าเห็นไปเพื่ออะไรบางความจริงเช่นเรื่องเชื้อชาติอาจมีความหมายแค่ทำให้รู้สึกว่าฉันเป็นคนละพวกกับเธอหรือ ข่ามันคนละชั้นกับเองนักกว่านั้นอาจลามล้ำไปถึงขั้นต้องพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือบอกๆคือมีความคิดเหยียดผิวอยากทำร้ายกันอยู่ในปัจจุบันจุดหมายของวิปัสสนานั้นคือเห็นตามจริงเพื่อเป็นอิสระจากอุ ป, ปาทานลวงใจทั้งปวงเป็นไทยแก่ตัว ไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจมืดของความหลงผิดเราจะไม่ตระหนักว่าอันตรายของความหลงผิดมีมากมายปานใดจนกว่าจะต้องทุรนทุรายทรมานกับผลลัพธ์บางอย่างที่สร้างขึ้นมาเองจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถไปถึงความจริงของชีวิตเช่นเราไม่จาเป็นต้องรบกันเพราะความเชื่อหรือ เราไม่ต้องทุกข์เพราะความคิดก็ได้แล้วย่อยมาถึงเรื่องดัดๆประจำวันเช่นแค่ทิ้งงานไว้ที่ออฟฟิศก็ไม่ต้องคิดเครียดมาถึงบ้านแล้วเอาละ่ะเป็นอันพอรู้คร่าวๆแล้วว่าวิปัสสนาคือเห็นตามจริงเพื่อหลุดจากอุปาทานและหลุดจากอุปาทานได้ก็ไม่ต้องทนทุกข์เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญว่าการเห็นตามจริงนั้นจะเอาอะไรเป็นเป้าหมายในการเห็นคงทำนองเดียวกับเรารู้แล้วว่ากำลังจะรบทับจับศึกเพื่อพ้นจากการเป็นทาสแต่ศัตรูคือใครละ่ะพวกเขาอยู่ที่ไหนละ่ะเราจะเจอได้เมื่อไหรล่ล่ะ คำตอบสำหรับผู้ใคร้คิดทาวิปัสนาที่บ้านเป้าหมายของการดูให้เห็นตามจริงก็คือทุกสิ่งที่ทำให้เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นโดยไม่จำเป็นอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นแต่กลับทำร้ายเราได้ราวกับศัตรูลองถามตัวเองว่าเคยมีประสบการณ์ทนองนี้บ้างหรือไม่เคยไหมที่เราเสียท่าใคร ให้เขาโกงเงินไม่กี่บาทแต่ต้องเก็บมาคิดหนักไม่เลิกเรียกว่าถูกคนอื่นโกงเงินไม่พ อ, อยังโดนความคิดของตัวเองปล้นความสุขไปอีกเคยไหมที่ตกลงเลิกรักเลิกเป็นแฟนกันแล้วแต่อุตสาห์คิดหึงหวงคนรักเก่าคิดถึงอดีตด้วยความเสียดายคิดพวงไปว่าเขาจะมีความสุขกับใครอื่นอย่างไรบ้าง เคยไหมที่เชียร์ฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายดันชนะซึ่งเท่ากับผลักให้เรากลายเป็นผู้แพ้ไปด้วยทั้งที่คิดดีๆแล้วเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับฝ่ายปลาชัยเลยแม้แต่น้อยคำถามข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่อาจแสดงให้ตระหนักว่าคนเรายึดมั่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจนทุกข์หนักได้อย่างเหลือเชื่อเพียงใด แต่ความจริงอันน่าตรนกก็คือแต่ละวันเราอาจยึดมั่นสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ถึงเก้าเรื่องจากทั้งหมดสิบเรื่องบางครั้งบางคราวคุณอาจยอมรับกับตนเองหรือบ่นกับใครๆว่าโง่เหลือเกินที่ย้ำคิดย้ำกลุ้มกับเรื่องเหลวไหลไร้สาระหรือเรื่องขี้ประติว๋วแต่รู้ทั้งรู้ว่าโง่ก็หยุดคิดไม่ได้เอามันไม่อยู่ ูสติไม่กลับขอเพียงรู้จักวิปัสนาอย่างแท้จริงการรู้จักนิยามของวิปัสนาอย่างแท้จริงคือก้าวแรกและก้าวแรกก็คือการยอมรับตามจริงผ่านการใกล้ครวนด้วยความคิดธรรมดาธรรมดาว่าสิ่งใดควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้สิ่งนั้นย่อมไม่ชื่อว่าเป็นของเรา ยกตัวอย่างเช่นเมื่อยอมรับว่าความคิดไม่ใช่ของเราเราจะรู้สึกตัวเหมือนถอนออกมาจากทุกร้อนเพราะความคิดกว่าครึ่งและส่งผลให้ความคิดอ่อนกำลังลงทันทีเหมือนเส้นผมบังภูเขาและเหมือนเรื่องหน้าขบขันที่พวกเราอ่านไม่ออกตามเกมไม่ทันพอตามไม่ทัน ก็กลายเป็นเหยื่ออันโอชะของโลกนี้ผู้คนทั้งหลายหายใจเข้าออกเพื่อรับใช้กิเลสอันก่อเหตุให้ทุกข์มากทุกน้อยและอาจจะตายตาไม่หลับไปพร้อมกับทุกข์ที่กัดกินหัวใจมาตลอดชีวิตต่อเมื่อรู้จักนิยามของวิปัสสนาและเห็นว่าเพียงเปลี่ยนมุมมองชีวิตเสียใหม่ตามหลักวิปัสสนาก็ไม่ต้องย้ายร่างไปที่ไหน ไม่ต้องทำพิธีรีตองอันใดความสุขก็ปรากฏขึ้นแทนที่แล้วขณะยังมีลมหายใจก่อนจะตายไปพร้อมกับความไม่รู้และต้นเหตุทุกครั้งใหม่ๆสรุปวิปัสสนาคือการเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งทั้งข้างนอกและข้างในเราไม่เที่ยง บังคับควบคุมให้เป็นไปตามอยากไม่ได้เพื่อปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดผ้นจากอุปาทานครอบงำให้ทุกใจกับเรื่องที่ไม่ควรเป็นธุระของเราหน้าที่ของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาคือแค่เปลี่ยนมุมมองเสียใหม่จากนักเรียกร้องนักต่อสู้บูชาตันหาและนักสำคัญตัวผิด มาเป็นคนดูคนรู้คนต่อสู้เพื่อบูชาความจริงตามสิ่งที่ปรากฏแสดงเสแทน